จะาให้มีการบังคับบัญชาให้มาบวชและบวชแล้วก็มุงหา ร, า, ารูอาจารที่จะอบรมและสอนมุงหาจะทานที่จะะัฤคิปฏิบัตริระดวกสบายภายในจิตใจของตัวนี่คือหน้าที่ของนักบวชผู้บวชมา คนใหญ่สุกคนั่วไปทางดิตดามันดาและคาราวะที่เลื่อมใจในศาสนาของส่งเสริมสนับส น, นุนให้นักบวดได้อยู่ดีกินดีมีโอกาสเวลากระพึกปฏิบัติกายว่าจาใจของสน ให้เป็นที่พึ้นที่อาศัยของสารว่าเขาไม่ได้คิดมูลค่าอะไรที่เขาให้เรามาไม่ว่าค่าสอนจนสบายไม่ว่าอาหารการขบสันตลอดที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้คิดคุณค่าเขามาปลูกให้เขามาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไป น่าวัตสะดวกมากไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องภายนอกพอจะเป็นเรื่องกังวลใจเราจะเป็นไปได้ไหมอยู่ในสถา น, นะาผ่อนผันสบายเราจะมีหนุ่มมีห่มไหมอย่อยู่ที่ไอาศัยเราจะมีหลับมีนอนไหมอาหารการอยู่จินเราจะมีไหมไม่ต้องไปคิดไปปรุง เอื่องั้าหนอกเพราะเขาสนับสนุนให้ความประการะทุกอย่างฉังนั้นพวกเราซึ่งเป็นนักบวชจึงควรตั้งจิตตั้งใจส่อพืชตัวของตัวให้รับคำรู้คำสลาดรักษาตัวของตัวให้มีความสงบสุขและเป็นที่พึ่งของ ชาวโลกเขาไม่อย่างนั้นก็จะเสียชีวี้เขายกย่องั้าแลเซนถ้านับถือเขาบูชาจะเป็นเศษในเครื่องแบบหลอกเขาจินลวงเขาจินโดยศีลธรรมของตัวไม่สมบูรณ์บกซ่อ ง, องไปอย่างนั้นอย่างนี้นีน่เป็นเรื่องคติ ที่นักบวชทุกคนจะสอนตนท้องตนสุกตนท้องตนให้ตื่นจากความหลับยือคําคิดลุงปุ่นไปในอย่างนอกหากไว้มีสติสุกตัวของตัวการบวชแต่เชียงกายอยู่ในสถานที่สงบสงัดตั้งเก็ดเชียงกายแกใจไม่บวช ด, ด้วย ไม่ส ง, งบส ง, งัดด้วยคิดซุ่แมแต่เรื่องนอกๆฝนที่สุดอํานาจของความคิดของตัวฆ่าตัวเองเหมือ น, นคุย้ยไผ่หรือขนกุ้ยฆ่าส่วนของมันเองให้ตายนางบวชทั่วไปที่อยู่ไม่ได้ในศาสนาะเป็นไปทํานองนี้ไม่ใจ่เป็นเรื่องอื่นมีบุคคลภายนอกมารบกวนมีบุคคลภายนอกนะ อ่อนวอนให้ฝึกวามจริงมันเป็นใจจากจิตจากใจของตัวเองคือไม่มีอาจทําไม่มีความเยือกเย็นภายในไม่เห็นสุขของใจทางศาสนาเลยไปเห็นเรื่องนอกเป็นข้องดีข้องเด่นของเพลิดข้องเพลินไปเพราะเหตุที่ไม่รักษาใจของตัวดังนั้นนักบวชจึงควรรักษาใจของตัวประพฤต กายต่อพืชวายชาตพติใจให้เป็นไปตามธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าสอนหากทุกคนมีสติรักษามีปัญญาแนะนตัวอยู่สม่ำเสมอว่าเราบวชเพื่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดความชั่วออกจากกายวายาใ จ, ใจของตัวไม่ได้วบวชมาสะสมกิเลสสิ่งใดที่เป็นสึ้นจากใจจากภายในของตัว ตัวเองจะเป็นคนรู้คนเข้าใจว่าระยะนี้นึกคิดผิดข้องกับเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นเป็นธรรมยินไนเพื่อแก้ไขความชั่วช้าลามกให้ตกออกหรือหากเป็นเรื่องก่อกังวลเป็นเรื่องที่เหลือตัณหานํามาสร่ปความเดือดร้อนแส่เผาตัวเองให้คิดวินิจฉัยเจริญนาจิตใจของตน ไม้อย่างนั้นจะบวชไปนานเท่าไหรจิตใจก็ไม่เปลี่ยนไปไม่มีคุณค่าไม่มีสาระในตัวผู้บวชถ้าหากมีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวเสมอกว่าบวชเพื่อหาความสุขให้แก่ตนของตนไม่ใช่สุขแบบสัตว์สุขแบบสัตว์คือสุขอยู่สุข ก, กินสุขหลับสุขนอนสุขเพลิดสุขเพลินตามเรื่องของ ลาซาตันหามาณทิดทิต่างๆแต่ความสุขของนักบวชสุขจากใจละใจถอนใจรู้เห็นเด่นชัดในสิ่งต่างๆแล้วมาจิตคล้องเกาะเกี่ยวในส่วนเหล่านั้นความปุ่งปุงของใจเราอยากจะให้ส ง, งบกาหนดเข้ามาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อันอื่นจิตก็ส ง, งบดิ่งลงไป เดลความเย็นใจสมายใจไม่มีอะไรถึงเป็นสัญญาอารมณ์เกี่ยวข้องนี่คือความสุขของนักบวชสุขเกิดจากการฝึกอบรมทางศาสนาสุขเกิดจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพอถอดถอนมาต่อพิจารณาเรื่องต่างๆเพื่อให้คิดใจรู้เห็นเด่นชัดเดวละถอนด้วยจิดข้องต่างๆ นีทางปฏิบัติที่พระพุธทธเจ้าหรืฤครูอาจารย์สังค่อยแนะนำไม่ได้สอนแต่เราคิดเราปรุงไปเรื่องนอก ท, ทั้งทั้งตัวบวชอยู่วัดแต่จิตไปเกี่ยวข้องกับคารวะา ท, ทั้งท่างจีตตัวเป็นนักบวชแต่ก่อไปเที่ยวทําการทํางานภายนอกจากทำดินั้นคือคิดไปปรุงไปในเรื่องหนอ ก, นอก ถ้าเป็นอย่างนั้นจิตใจก็ไม่มีวันสว่างสวจิตใจก็ไม่มีวันฟองใสสงบสุขเป็นทางผิดไม่ควรคิดควรปรุงเพราะเราบวชเขามาเทศของเรากต่างจาก้าราว่าต่างจากคฤหัตหน้าที่ของเราจะปฏิบัติตัวข้องตัวอย่างไรก็ให้แน่นหนักลงไปมีสติรักษาอยู่ทุกการทุกเวลา จะไปจะมาจะพูดจะคิดให้มีสติมาอย่างนั้นความชั่วก็จะชวยโอกาสเข้ามาปรุงใจให้คิดไปต่างๆทำไปต่างๆพูดไปต่างๆถึงเป็นทางเสียหายเป็นทางทำลายตัวเองและศาสนาจึงควรมีสติมีปัญญาสอนตัวอยู่เสมอจะนั่งก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดี จะหลับจะนอนตอดีใครมีสติว่าตัวเป็นนักบวชมีสมณะสัญญาประจำตัวอยู่สม่ำเสมอไปไปวินฑบาตก็กำหนดใจไปจะนัง่งฉันกกกำหนดเผื่อการล่าการถอนเผื่อการสงบระ ง, งับของใจไม่อย่างนั้นกิเลสตัณหาจะต้องสอกแตกขึ้นมาทุกระยะทุกเวลา มีการงานของพระการงานของเนรการงานของนักบวชคือการปฏิบัติมีสติรักษาใจของตนสตินั่นแหละเป็นความเพียรสําคัญหากไม่มีสติจะเดินจะนั่งมันก็ไม่เป็นความเพียรให้เพราะสิ่งอื่นเขทําได้นั่งได้นอนได้เดินได้ยิ่งได้ยิ่งสุนักยิ่งดิ่งเจ่งเราสู้เขาไม่ได้แต่เขาก็ไม่มีอะไรกว่าเป็นความเพียร นี่คือการไม่มีสติถ้ามีสติแล้วจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีจะยืนจะนอนก็ดีทีนี้ที่จ ะ, ะนารักษาใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียอย่าไปคิดเนอะคิดก็ให้ห้ามจิตห้ามใจของตัวว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทางที่จะข้ามทุกข์พนทุกข์ไม่ใช่ทางสำหรับกิเลสตัณหา เป็นทางนำมาถึงความทุกขความเสียฉต่นั้นทางธรรมถึงเป็นทางละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเรื่องของพวิ น, นัยพระวินัยรักษาง่ายเพราะเป็นโทษทางกายทางวาจางแต่ทางพธรรมเป็นการรักษาใจเป็นเรื่องรักษาภายในจึงเป็นของละเอียดอ่อนท่านจึงพูดถึงอกุศลมิตกคือการมรริตก ตามที่ตกไปในทางกรมมารมต่างๆ ต, ตามนั้นทุกท่านที่เคยศึกษาก็ยยอมทราบดีว่าอะไรเป็นการมกิเลสกามหรือวัตถุกรมคืออะไรในตำรับตำราหลักศึกษาก็มีอยู่แต่พวกเราไม่ค่อยได้คิดดูมาสอนใจตัวเองกิเลสกรมหมายถึงความคิดปรุง ออกจากใจของตัวเองวัตถุกามหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเสียงสัมผัสมันเป็นวัตถุตามถ้าหากจิตเชิดลุงไปในเรื่องกรรมมารนว่ตกอยู่ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนโง่เป็นคนชั่วเป็นคนเสียจิตใจก็โง่ก็ชั่วก็เสียไปตามเพราะไม่มีทางที่จะทําตัวให้ฉลาดแหลมคมเพราะที่จะ ดัดตัวของตัวออกจากราคาตันหาได้มีแต่ความปรุงความคิดความติดความข้องเห็นอะไรบอกขวา ม, มาคิดมาปรุงภายในจิตในใจของตนแต่แทางที่จะปรงไม่ไปในทางเบื่อหน่ายชายกําหนัดไม่เป็นอย่างนั้นคิดปรุงมาเพื่อกําหนัดเพื่อยินดีนอนคนเดียวก็มีหญิงมานอนด้วยตังเป็นร้อยๆทันทั ท่านั้ธ์ี่นอนอยู่ในวัดเพราะเหตุใดเพราะใจไปคิดไปปลูกกับรูปต่างๆที่เราชอบเรายินดีนํามาคิดมาปรุงอยู่นั้นท่านขันธ์ี่นอนคนเดียวแต่ใจก็ไปคว้าเอาอารมณ์ต่างๆมาในด้ายเชื่อเรื่องของการมัววิตกวิตกไปในทางชั่ววิตกไปในทางเสียคนผูกคิดผูกวิตกผูกปรุงไปในด้านนั้นจึงไม่มีวันสงบ ไม่มีสมาธิไม่มีสมาบัตไม่มีปัญญาทิจรลทอนกิเลสถัดจึงห้ามไม่ให้นักบวชนักปฏิบัติคิดปรุงปุ่งไปในส่วนนั้นที่จะรักษาตัวไ ด, ดกว้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาทีนิจพิจารณาไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางรักษาเพราะคนอื่นเขาไม่ทราบไม่เห็นช่างช่างจิตตัวไปเป็นขโมยไปวินศบาทเห็น หญิงสาวก็ไปชอบไปพอไปติตไปคล่องปเป็นมแมลงวันตอมตูดเขาอยู่นั้นทางทางิี่เขาไม่ทราบอะไรถ้าเขาทราบเข้าเอ๊ะท่าเรียนทำไมเป็นแบบนี้นึกว่านักปฏิบัติดีเราเคารพบูชาสัากการะทุกอย่างทำไมมาคิดในทางสั่วทางต่ำแบบนี้ถ้าเขาเห็นว่ารารจิตที่นึกคิดเขาอาจจะไม่ไห้อะไรแก่ตัวของเรา ข่าวที่เขาให้เขาทํามายากหามายากถ้าเม้นแบบนี้ควรบํารุงรักษาหรือไม่ถ้าหาไมค่คิดชั่วคิดเสียอย่างนี้เขาอาจจะไม่มีใจเกิดศรัทธานี่เขาไม่ทราบไม่เห็นตัวของตัวเองทราบเห็นก็เพื่อระวังรักษาถึง ส, สอนตัวว่าเราเป็นสมณนะหาความสงบอย่าไปคิดไปปรุงเยื่องนอกนอกแบบนั้นมันเป็นคิดเป็นใจ เป็นเตปนในเชองแบบทำลายศาสนาในใจมาบวชบูชาคุณความดีมาบวชทำลายคุณความดีมาบวชบวชทำลายหมู่คณะครูอาจารย์เหยียบยำ่ททำท่าทางดีในในใจนักบวชที่พระพุทธเจ้าสละเสริญในแนะสอนตัวสม่ำเสมอไปรักษาใจด้วยสตินี่เรียกว่าห้าม ตามวิตกตามมริทกของตัวไปในทางชั่วทางเสียทางที่ดีถ า, า, า, านีสติพอพอหาดห้ามได้แต่กว่าจะเกิดรู้สึกตัวมันชั่วมันเสียไปนมนานแล้วเลยวันคืนเดือนปีผ่านไปก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเพราะไม่ได้รักษาไม่มีสติปัญญาสอนตัวปฏิบัติก็ไม่เป็นไป อะไรสิ่งเป็นทางดีก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ทางสั่วทางเสียเสมอไปนี่คือการขาดสติขาดปัญญาขาดการรักษาตัวเองแต่นั้นจึงควรทุกท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติไม่ว่าเป็นภิกษุหรือสามเณรจะต้องรักษาจิตใจท่องตัวด้วยสติด้วยปัญญาจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอน ทีนี่ที่ิจะะารณาเราเป็นสมณะคือผู้สงบแล้วมันสงบหรืออย่างเดียวนี้ถ้าหากมันยังพุ่งยังปรุงคิดไปในทางชั่วรีดสอนจิตสอนใจว่าเป็นทางผิดจากธรรมดีในคํ า, า, า, า, าสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นเยรธีเราเป็นอรัสตีฝนศาสนาในเสระในเนียนจิพระพุทธเจ้าันละเสริญให้สอนตัวเน่นหนักเข้าไปอย่างนั้น เพราะการว่าตัวของตัวเองไม่มีทางเสียหายไม่เหมือนคนอื่นมาด่ามาว่าเราอ่ะตัวของเราเองดัดตัวของเราเองเป็นทางไม่เสียหายเป็นทางดีแต่ให้ดัดถูกต้องตามกาลเทศะถูกต้องตามธรรมดีในไม่อย่างนั้นจะทีนี้พิจารณาเพื่อแก้ไขจิตใจจิตจิตของฝูงกลุงไปจิตในรูป ตรงขาตรงข้ามคือรูปของผู้หญิงที่เราเป็นหนุ่มด้วยสวนใหญ่กว่ามากอยากปรุงไปในทำนองนั้นรูปนันนั้นมันมีอะไรที่เราจะสงสัยให้แก้ไขแยกแยะดูถลกหนังออกมากรองเอาไว้หรือไม่อย่างนั้นจะตัดแขนตัดขาตัดหัวมันมาแขนได้ที่สติของเราหรือแขน พอของเราเราชอบไหมยินดีไหมมันสวยมันงามจริงจังมันหอมชวนชวนดมหรือไม่ในรูปเ น, นั้นนั้นนี่เป็นวิธีที่สอนใจของตัวเขาเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นทําไมจึงไปหลงไปกาหนัด ก, กันผมขนแลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันเดียวกันทําไมจึงไปสงสัยตัวของเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะสดสวยงดงามในตัวของมนุษย์ ขายไม่ได้ตายแล้วเอาไปทิ้งทำปลาล่าปลาเช็มก็ไม่ได้จะทำอะไรไม่เป็นทางนั้นไม่มีคุณค่าราคาอะไรไก่ตายหมูตายยังขายได้เพราะเนื้อหนังมีราคามนุษย์ตายไม่เป็นอย่างนั้นใหนท้ทิเจอร์นาหาความจริงเพื่อแก้ไขจิตใจสิไปคล่องสิไม่อย่างนั้นจะพิเจอรณนาทาแปรผันของ ขาดขันพอ พ, อพิจนารณาได้ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาใหม่ๆหม่สมเหมือนดอกไม้ที่กําลังตูมกำลังบานความสวยสดงดงามก็มีด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่นานวันมันจะแก่จะแปกปวนไปตามธรรมชาติขาดขันข้องมันเห็นไหมแม่ข้องมันยายข้องมันตาข้องมันปู่ข้องมันเป็นอย่างไรเขาคนนี้ก็จะเป็นไปทํานองเดียวกัน ไม่คิดแปลกแตกต่างอะไรกันเพราะคนเท่าคนแฉะเราเคยเห็นชอบไหมยินดีไหมรักใคร่ไหมเพราะเพราะความแฉะมันเกิดมาจากความหนุ่มความสาวไม่ได้เกิดมาจากที่อื่นคนนี้กวรจะเป็นไปทํานองเดียว ก, กันถ้าหากเราชอบเข า, ค น, าคนเท่าคนแฉะทาไมไม่ชอบนี่การที่นี่พิจารณาเ่ว่แจกไขปิเลตปัญหาความปร่งปุุงข้องใจให้ตกออกไป มาให้ติดข้องมาให้ยึดมั่นถือมั่นในลูกแบบนนั้นนี่เป็นวิธีการด่านวิปัสสนาสวยแก่ใส่กิเลสตัณหาภายในตัวข้องตัวนอกนั้นเรื่องพยาบาทวิตกเควอคิดลงอาขาพยาบาทผูกกรรมผูกเวนกับสัตว์กับบุคคลต่างๆนี่ก็เป็นทางเสียหายเป็นทางทำลายจิตใจข้องตัวไม่ให้สงบไม่ให้ระงับ จึงควรระวังรักษาดีทั่วมันมีมาแตแ่ไหนแต่ไรเราไม่เห็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราเห็นเราได้ยินมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าไปยึดมั่นก็เกิดทุกข์เขาใจของตัวจึงควรํารักษะสารอย่าไปยึดไปถือในเรื่องเหล่านั้นหากระวังรักษาไม่ให้จิตใจจิตข่องวิตกไปในกามอารมณ์วิตกไปในปยาบาทวิตกไป ในทางนี่หิงชะาแล้วจิตใจของเราท่านก็จะมีวันเบามีวันสบายพิจารณาอะไรก็จะป่องใสชัดเจนเห็นแจ้งแช่ไขจิตใจที่คล่องจิตให้ตกออกไปใจไม่เคยสว่างสวก็จะสว่างไสวใจไม่เคยรู้เคยเห็นเด่นชัดอย่างไรก็จะเห็นขึ้นมีความ สงบมีความสุขภายในใจอัศจรรย์เรื่องธรรมนในที่พระพุทธเจ้าสอนการประพฤติปฏิบัติเมื่อเห็นอาจเห็นธรรมจิตได้เป็นสมาธิจิตมีปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของเลิศไรเสิร์ยิ่งกว่าเพศของสมณะเพศของชาของเนรฉังนั้นเราท่านที่มาเป็นชาเป็นเนรจึงเป็นโชคดีเพราะคนเป็นจานวน ล้านจํานวนแสนที่เขาไม่มีโอกาสมาเป็นธาตุเป็นเนนนับไม่ได้มีโชคดีเพราะพวกเราที่ได้หลุดตัวออกมาในศาสนามีโอกาสเวลาประพฤติปฏิบัติรีบเร่งกระทาบทําเพ็ญคุณงามความดีให้เต็มที่อย่าให้เป็นโมคะทะเนนคือไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีธรรมนิยายนอะไรที่จะมีอยู่ในการในใจของตัว อยู่ไปแต่เทียงเทพเปินเปรตในเครื่องแบบอย่างนี้ใช่ไหมไดั่งตรงนี้สอนตัวข้อตัวจะทำบําเพ็ญคุณงามความดีให้เต็มที่เต็นขานเพราะการงานด้านอื่นไม่มีเขาที่จะมีกินมีใช้อยู่ในทางธราวาสเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้เล่นได้เพลินอย่างเราเขาอุ้มุ่งหน้ามุงตาจะทำจริงจังไม่อย่างนั้นก็ ไม่มีกินมีใช้เพราะไม่มีใครเขให้เศษของคาราวาสเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านก็เคยผ่านมาอย่างการเป็นคาราวาสจะมีโอกาสเวลาหลับหูหลับตาพักผ่อนหลับนอนอย่างเต็มที่เต็มฐานอย่างพระเรายากชาเนนเรามันมีโอกาสเต็มที่แล้วก็มุ่งหน้ามุง่งตาเราไม่ได้อะไรจะไปหลับไปนอนไปเพลิดไปเพลินทําไมรีบจะทําหน้าที่ คือขอวัดปฏิบัติของตัวให้จิตชุ่มชื่นเบิกบานในการกัรทำของตัววันนี้เราได้ทำอันนั้นอันนี้เดินจงกรมภาวนามีสติรักษามีปัญญาแนสอนใจไม่คิดไปถึงจิตยังไม่สงบในรวมยังไม่รู้แจ้งเกิดมรรคผลก่อตามแต่หน้าที่ที่เราได้กระทำมอมเพนไม่ได้เสียหายไปที่ไหนก็เบื้องต้น ทุกคนก็จะต้องเป็นอย่างนี้รักษาคุณความดีเบื้องต้นเอาไว้พื้นฐานของความดีมีแล้วก็จะงกงามต่อไปคือความสุขความเจริญความราาถอนยิเลี่ยตัญหาจะเกิดขึ้นไม่วันใดกว่าวันหนึ่งทางหน้าเหมือนกันกันกบเราปลูกต้นไม้เอาไว้บำรุงรักษาให้ปุ๋ยควรดินลดน้ำอยู่ทุกการทุกเวลาอะไรจะมา เป็นข้าสึกของสนไม้เราก็รักษาไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาทําลายสนไม้เรารักษาอยู่ทุกวันทุกเวลาดูแลอยู่สม่ํามเสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าต้นของมันไม่ตายมันจะขี่ดอกออกผลให้ฉันใดการรักษาขวารัดปฏิบัติการรักษาถ้าทำมีในการรักษาจายใจผองตัวจก่อทํานองนั้นรีบเร่งแต่ทาบำทําเพ็ญให้หนักแน่นเข้าไปใจ ที่มีธรรมิีในอยู่แล้วนั่นแหละจะเป็นเครื่องเย็นใจจะเป็นเครื่องสงบจะมีความสุขความเพียนอย่าลดละอย่าประมาดโอกาสเวลาหนาวก็อ่างกว่านาำเดินไม่ได้นั่งไม่ได้นอนดีกว่าร้อนก็อ่างกว่าร้อนไม่ทาการทำงานด่านปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้อดจนตลอดวันตา ไม่มีความรู้ความสลาดความสามาทีิจะรักษาตัวฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนที่บวช้ามาศึกษามาปเพศ่อปฏิบัติโดยไม่ได้อันเชิญบังคับบัญชาเรียกร้องให้ใครมาต่างท่า น, ต, า น, ต, านต่างคนกต่างมีศรัทธายินดีที่จะมาบวชในศาสนาะเมื่อมาบวชแล้วต้องสอนตัวข้องตัวอย่างนั้น ไม่ใช่บวชแล้วจะดีทีเดียวถ้าใหม่ประพฤติปฏิบัติดีไปไม่ได้มีสวนมีนาแล้วถ้าไม่ไปปลูกไว้ฝังพืชผลอะไรลงไปไร่นาะสวน น, นั้นนั้นก็ไม่เป้นผลเป็นประโยชน์อะไรมีแต่ไร่แต่สวนธรรมดาถ้าไปปลูกสิ่งของที่มีข่าลงไปนั่นแหละจึงจะได้รับผลประโยชน์ชั้นใดการบวชในศาสนากว่าชั้นนั้นใอ้มันที่นี้พิจรารณาสอนกายว า, จายใจใจท่องตนทาความเทียน ให้ร้างฐารอย่าไปกลัวตายคนกลัวตายหนีตายไม่ได้เกิดมาจะต้องตายด้วยกันทุกคนแต่พบชาติทางหน้าหากเราตั้งใจพิจรารณาตั้งใจรักษาตั้งใจอบรมจริงๆังพบชาติทางหน้าการเกิดของเราอาจจะไม่มีเพราะเราได้ทําลายกิเลสตัณหามาณทิฐิต่างๆทางใจของเราให้บริสุทธิ์ถ้าหาก เราถือว่าบวชแล้วบุญก็จะเกิดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นเองปัญญาวิชาความรู้ต่างๆก็จะเพี้ยนไปเองถ้าคิดอย่างนั้นไม่มีวันอย่าไปคิดสอนจิตของตัวละชั่วบำเท็ญดีถ้าเพียรพยายามทําตามโอะวัติที่พระพุทธเจ้าแนีสอนทุกคนเมื่อทําอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะหนีจากมรรคผลไปได้เพราะทำดีใน เป็นอากาลิโกไม่มีการมีสมัยผู้ใดประพฤติตัวคลองตัวรักษาตัวคลองตัวละชั่วบําเพ็ญดีมักผลมีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเพราะเฉลี่ยตัณหาอยู่ที่ใจความ ข, ดขาดคล่องอยู่ที่ใจข้ามสะดวกมันก็จะต้องอยู่ที่ใจไม่มีอยู่ที่ไหนอื่นดังนั้นเราต้องมองดูใจคลองตัวประพฤติปฏิบัติด้วยสติด้วยปัญญาแนะนตัวคลองตัวสม่ําเสมอทำดีจะเกิดขึ้น แต่จเจริญขึ้นจริงไม่เป็นโมฆะของพระเนนไม่เป็นโมฆะของบุตรไม่เปล่าประโยชน์การบวชเข า, ากราบเขาไหวเขาสักศั ก, กระบูชาก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของเขามีเพียงองค์สององค์ก็เป็นสาระประโยชน์มากเพราะเป็นองค์จริงเป็นของจริง เหมือนทองคาธรรมชาติหรือเพชรพลอยขี่ดีมีนิดหน่อยก็มีคุณค่ามากหากมีแต่ชาเนียนเต็มวัดเต็มว่าเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไม่มีใครที่มีธรรมนี้ในไม่มีใครมีใจอันประเสริฐมันก็มีแต่เพียงปริมาณเท่านั้นคุณภาพไม่มีอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นมาก ก็ดีแต่ไม่มีสาระอะไรจึงไม่เป็นปัญหาในการที่จะสักการะบูชาการกราบกันว่าถ้าหากตัวของตัวประพฤติตัวของตัวได้อย่างนั้นประพฤติตัวของตัวดีอย่างนั้นตัวของตัวเองก็เย็นใครเขาจะสงสัยมักผลว่าหมดไปไม่มีอะไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ตัวของเรารู้ตัวของเราเห็นเด่นอยู่ในจิตในใจของเรา ก็ไม่หลงไปตามลมปากของเขาไม่เชื่อเรื่องของเขาไม่มีอะไรที่จะเอีย ง, ยงไปตามเรื่องของลมปากของโลกเพราะเราประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดอยู่ในตัวของเรานี่เป็นพยานหลักฐานสำคัญหากเราท่านประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นความสุขในตัวของตัวก็มีคนอื่นมาเห็นเขาก็มีความสุขตาสุขใจ เพราะอะไรเพราะเห็นของปลาเสรดเห็นของจริงเห็นของดีเป็นสมานานันจทัตตานางชื่อเห็นสมานาะฝูรังครับบาปได้นี่ตัวพวงเราก็ยังมีบาปเต็มตัวแต่อยากจะให้เขาสักการะบูชาอยากจะให้เ ข, เขากราบเคาะไหว้อยากจะให้เขาสักการเสริญย่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวของตัวเองก็ทํานี่ตัวของตัวได้มันมีอะไรที่แปกแตกต่างกับพระวาสเขาอย่างนั้น มันใช่ไม่ได้จึงว่าพระปลอมหรือเตไในเครื่องแบบทากันระวังรักษาที่นี้พิจารณาเพราะสถานที่ของเราพอสงบสงัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทั้งกลางวันกลางคืนเหนื่อยในการนั่งจะไปเดินในร่มในเงาที่ไหนก็อพอไปหาเดินได้อย่างสะดวกสบาย เหนื่อยในการเดินจะมานั่งกำหนดจิตกำหนดใจก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องวุ่นวายนอกจากยิเลีตัหาภายในใจของตัวเท่านั้นยี่เลี่ยตันหาก็บอกแล้วว่าต้องมีสติมีปัญญากำหนดรักษามันคิดปรุงไปทางนอกบอกมันว่าเป็นทางชั่วทางเสียอย่าไปติดตามอย่าไปกล